ก่อนเห็นมันเขาเรื่องตอนอมอธนากระทุนสายที่เจ็ดรวงพ่อพองสองซึ่งตอนนี้ไม่สบายมีจำจำภาษาโรงพยาบาลก็อยากทาบุญ ให้ตัอเองแล้ครอบครัวญาติพีพ่น้องไรวบรวมกันมาเป็นกระเทียมอีกสายหนึ่งเพื่อทว า, ายบัสเราแล้วท่านก็เจียงยอดมาแล้วรวมกระเทียมปีนี้กระเทียมว่าเราก็จะเอาไปทำบนต่ออหลายเรื่อง อาจจะเป็นสมทบที่อื่นแที่เราทำประจำก็คือร่วมทําบุญกับโรงพยาบาลนั้นเงินก็ติดของว่าเราก็จะไปทําบุญอีกหลายอย่างนั้นหลวงพ่อพงสานำสกุลเดิมวี่บู์สันติหมดมายี่สิบกวาพรรษาแล้วหลังจา ก, กเกษนาชการ ก็เข้ามาทางทำยี่สิบรษาต้นต้นก็ยี่สิบกว่าปีแล้วมันก็เลยทําบนกก็ว่าเราปีนี้ก็ถึงสายที่เจ็ดบอกยอดเลยเราเออเออทนรวญทาบนแล้วเป็นยอดที่แจ้งมาคือจำนวนหนึ่งล้านบาท ละครมนันสนามในภาษานี้เขาอยากจะสื่อสารให้พวกเราเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไม่อยากพูดไม่อยากอะไรอยากอยูอย่เฉยๆพวกเราไม่เคยคิดว่าคนที่เข้ามาทำบุญของเราเพราะเรา ที่เป็นอยู่ทุกวั น, นต้นไม้ถ้ามันมียอดจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นยังไงคนไม่มีหัวมันจะเป็นยังไงพวกเราเนี่ยเกิดไม่มีหัวเกิดอะไรขึ้นโบราณบ่อวนใดถ้า หัวไม่มีเงาจะเกิดอะไรขึ้นโบราณท่านว่าเดินวนไปไม่มีเงาเงาวันหายไปแม้แต่เงายัาหายไปจะเกิดอะไรขึ้นโบราณท่านเชือ่อว่าเชื่ออะไรไงฮะเป็นคนมีเคราะห์เออคำถามมันคือตัวนั้นมีหัวไว้ทําไม ทวนนะ่มีหัวไว้ทำไมมีไว้ให้ลองคิดมีสมองอืมแต่ถ้ามีหัวไว้หนักบาเี่เฉยมีไว้ทำไมฮะเออเราลองคิดดูที่ หัวตั้งบนบ่าเฉยๆแล้วก็มีไว้ให้มันหนักบ่าเฉยๆมีไว้ทำไม ค, คิดไหมเออไม่คิดถ้าคิดไม่เป็นหล้วสภาพอย่างปัจจุบันปัญหาถ้าคิดมันไม่เป็นอย่างนี้ทําำไมทำไมถึงว่าเราไม่คิดทำไมถึงว่าหัวสำคัญ คนเราไม่มีตามันจะมีตาแต่ใช้ตาไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นยังไงมองอะไรไม่เห็นกับคนที่มองเห็นแล้วไม่คิดอะไรเลยต่างกันไหมเออแล้วก็ถามก็มีไว้ทำไมมีตาไว้ทำไมเออ อันนี้ตัวอย่างเพราะ น, นั้นมันนส่วนหัวเนี่ยเราไม่เคยบริหารจัดการส่วนหัวของเราเออเราคิดว่าเป็นของสูงล้วใครไปเล่นไม่ได้นะหัวใครเล่นหัวได้ไหมเออไม่ได้เพราะว่ามันอยู่สูงอืมเห็นไหมเป็นคำธรรมดาคำพื้นๆถ้า เราโอบอาไร ก, กนูน้องมานันเป็นธรรมะมันเป็นธรรมะนะเออส่วนบนของเราหนึง่งเป็นบ่งบอกก ด, ดทิศทางชีวิตของพวกเราถ้าอยู่ไปเฉยๆเรื่อยๆวันอย่างวันนี้ที่เขาถวายหรงพ่อหลวงตาหลวงพี่หลวนะัดวัดอันก็เป็นวัดวัดหนึ่งรูบรัว ก, กันมาเขาถวายเราหนึ่งล้านบาทเี่ย คิดว่าอยู่ๆเขาอยากถวายก็ถวายอย่างนั้นเลยคิดว่าเข้ามาแล้วเห็นหมาเห็นแมวก็ศรัทธาอย่างนั้นเลยที่เขาถวายเนี่ยก็จะอะไรที่เขาถวายพวกเราอย่างที่เราทําทำกันเนี่ยคือเราทําแล้วไม่คิด มันเครื่องจักรเครื่องกลงมาถามวันนี้หลวงพ่อถามจะทําประวัติหลวงพ่อไปเนี่ยหลวงพ่อถามเฉยๆถามว่ามทําประวัติหลวงพ่อเพื่ออะไรเรามีคามําตอบไว้เพื่ออะไรไม่ใช่เพื่ออะไรคําถามคือเพื่ออะไร ตอบไม่ตรงคำถามไม่ได้ทำ ม, มาถามให้ตอบ <c oughs> เด็กก็มาไม่อันนี้พวกคนที่หนุ่มที่มาทางนี้ก็ชอบอย่าง ไปกรักที่คนลทางเพราะว่าเราเราไปกร็รักคนลทางแต่ว่า ไ, ไม่ใช่เราจะทำอะไรก็ตามอย่าไปทำตามความรู้สึกความรู้สึกนั้นมันคือเวทนาภาษาธรรมันะ ความรู้สึกมันมีทั้งดีไม่ดีและค่อยเฉยๆถ้าตะลาเอาตัวนี้เป็นแกนแบบีคือถ้าทํางานตามความรู้สึกมันไม่ไมีทางประสบความสำเร็จอุปกร์ไหนหน่วยไหนก็ตามพอทําทตามความรู้สึกถ้าคนรู้สึกอย่างนี้ทำอย่างนี้ก็คือคนรู้สึกทั้งดีและไม่ดีคําว่ารู้สึกก็เข้าใจความหมายแต่ว่าถ้าเป็นทางการ แต่พูดง่ายๆพูดง่ายๆภาษาเราทำตามความอยากทำตามความอยากกับทำความต้องการมันไม่เหมือนกันเข้าใจครัว่าอยากไหมเข้าใจว่าต้องการไหมถ้าทำความตาออยากเหมือนพวกเราอยากอยาก หรือต้องการถ้าจริงๆคาว่าต้องการนะคือจำเป็นเราทำตามความอยากหรือทำตามความจำเป็นเหมือนชีวิตเราถ้าเราหาคำตอบดังเราจะแยกออกว่าอยากกับจำเป็นหรือว่าต้องการนะมันต่างกันอย่างอยากเป็นรถสิบคันเบนก็อยากได้บีเอมก็อยากได้โตโยตก็ก็ได้นี่คือความอยากเนาะ แม้วความจําเป็นอ่ะมันจําเป็นต้งใช้อย่างนั้นไหมใช้ทีเดียวสามคันเลยได้ไหมเออเราก็ใช้ทีละครันรบางครั้งจําจเป็นจริงๆมันคือคันเดียวก็พอใช่ไหมแต่เราทําความอยากทําความรู้สึกไม่ได้นี่คือว่าอยากไปทําความความรู้สึกนี่คือขอความหมายเนี่ยทุกวันเนี่ยเราทําตามความอยาก เพราะนั้นคำยา ก, กัะเนี่ยภาษาพระภาษาพุาทธเรียกว่าตันหามันพอไหมพอความต้องการไหมเออชีวิตไม่พอกับตันหัวเวลาไม่พอความต้องการโอเคไหมมันไม่เคยพอเพราเราไม่มีจุดหมายในการทําถามว่าทําเพื่ออะไรแล้วที่เป็นอยู่เนี่ย อย่มื่้ที่ถามเขาถวายมาหมื่นแสนล้านเนี่ยเขาถวายทำไมทาไมต้องถวายเขาเห็นอะไรเห็นอย่างที่พวกเราเห็นไหมสิงที่เขาเห็นคืออะไรแล้วทุกวนันผู้เราเห็นไหมพูกเราทุกคนทุกฝ่าย ได้เห็นตรงกันไหมว่าต่อให้ทาเป็นรอยเล่มล้านเล่มทำแล้วมันไม่อ่านอ่านแล้มันไม่ทำเข้าใจไหมทำแล้วไม่อ่านเพราะอ่านแล้วก็ไม่ทำเข้าใจชัดเจนไหมนะอันนี้คือคาเทศเป็นคาสอน อ่านอ่านบอกโอ้หลวพอพูดดือเทศดือประวัติแล้วกดแล้วยังไงแล้วยังไงอาหารร้านนี้อร่อยอร่อยแล้วไม่กินกินก็ไม่เคยรับรู้เลยว่าที่บันอร่อยเพราะอะไรทำเองได้ไหมก็แค่แตซื้อกินไงเราไม่เคยลงมือทำเองหนึ่งสองสามสวะ อาหารเขาอร่อยต้องใส่อะไรมั่งอาหารอร่อยก็คือธรรมะดือแล้วหยิบเข้าปากนั่นคือปฏิบัติได้จะบอกว่าอาหารมันอร่อยหลวงพ่อออกพี่ลวงตาหลวงโปู่นั้นเทศดีเนาะเออเทศดีแล้วเคยเอาไปทำบ้างไหมสักเรื่องสักอย่างบ้างไหม นเนี่ยเมื่อคืนก็ถือเป็นบรรทัดฐานถ้าไปพิจารณาไปามตอ่อได้ทุกวันพูดถึงชีวิตจิตกรรมและธรรมะปัญญาไม่เกิดไงมันก็จะเป็นอย่างเงี้ทุกชีวิตจะเป็นอย่างนี้ไม่ใครที่ไม่มีชีวิตในขนาดยังล ม, มหายใจยังไม่ตายง่ายเขาเรียกชีวิตนี่เขาเรียกชีวิตและจะใช้ชีวิตยังไงเช้วาสายบ่ายค่ํา นอนตื่นมาเหมือนเดิมอีกอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยก็เพราะว่าไม่มีหัวไม่ใช่หัวจึงมีเขาบอกว่ามีหัวไว้หนักบางเองถ้าคนอีกคนที่ไม่เข้าใจเขาบอกโกรธเออทำไมต้องพูดแรงไม่ได้แรงหรือเพราะามีหัวไว้หนักบาจริงๆเอง ถ้าเราปราศจากหัวเนี่ยชีวิตมันจะไปต่ อ, อยังไงหัวของเราเป็นที่อยู่ของตาหูจมูกลมหายใจสมองเดี๋เพราะว่าคำว่าไม่มีหัวมันเป็นอย่างนี้แล้วมีแล้วไม่ใช้มันมันจะมีประโยชน์อะไรตั้งอยู่ในกระเป๋าเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแต่ไม่ใช้มันน่ะมันจะมีประโยชน์อะไรมันก็คือกระดาษ แต่นมีค่ามีราคาแล้วมันจะมีประโยชน์อะไร อ, อสมองหูตาจมูกตีค่าตีราคาเป็นเงินเป็นทองไม่ได้เพราะนั้นจะไปได้ค่าตัวเองอย่าไปกดอย่าไปเหยียบอย่าไปย่ำตัวเองทุกคนมีค่ามีราคาหมดนะแต่เราไม่สร้างมูลค่าให้เกิดกับตัวเอง ก็ไปลำพึงลำพันอะไรก็ไม่รู้ในแต่และวันแน่คือความหมายชีวิกราวาไม่มีไม่มีก็เราไม่ทําให้มันมีไงรวยเพราะเราไม่รวยรวยคืออะไรรวยต้องท่ากับจนก็จะตัดรถไปเวียนมาอยู่เนี้ยรวยเพราะไม่มีเงินจะวนไปเวียนมาหาคําเตบ กลางๆถูๆแท้ๆ ไ, ไปงั้นความจนเราทนได้ทนที่ไม่มีตังค์ทนที่มีเงินน้อยทนได้แต่พอมีตังค์ทนรวยไม่ได้แปลกไหมวันนี้มีมีร้อยผู้นี้มีพันบรรทนรวยไม่ได้เออมันมันจะต้องหาทำยังไง มันจะต้องออกไปจากกระเป๋าให้ได้แต่เวลาไม่มีระวบน่นเราบอกเออไม่มีแต่พอมีแล้วทนไม่ได้ครอดทนอยู่กับความจนได้แต่ทนอยู่กับความรวยไม่ได้เห็นไหมมันถึงได้เป็นอย่างนี้ไงแล้วก็บอกว่าไม่มีสรุปคือไม่มีใครที่มันมีตังค์ไม่มีใครไม่เคยมีแต่เราไม่เคยคิดว่าที่มันมามันมาอย่างไง แต่มันจะเพิ่มีก่ต้องเพิ่มยังไงเพิ่มจากการทำงานไหมอย่างที่เรอบอกเมื่อก่าเมื่อกี้เขาถวายหนึ่งล้านบาทนเพาะทำงานไหมล้วทำไมเขาต้องถวายเขาเห็นอะไรในตัววัดในตัวบุคคลมันต้องมีเหตุมีปัจจัย ไม่ใช่อยู่ก็เอาตังค์ยื่นให้เอาเอาให้นะแล้วพวกเราคิดอะไรได้บ้างทําให้ดูมันไม่ดูพูดให้ฟังมันไม่ฟังมันก็มีประโยชน์อะไรเพียงบอกก็ถามประวัตินี้ทำเพื่ออะไรบูชดชาบูชาคุณกับว่ากันไป พารานากันไปไม่มีพรท้าพระปฐอย่างนั้นไม่ต้องเลยมาแทบไม่มีประโยชน์อะไรเสียตังเป็นสองสามแสนทำมังเสือมาแต่ละชุดไม่ใช่ใ น, น้อยนะเอาเงินสองสามแสนไปทำอย่างอื่นมันจะเป็นประโยชน์กว่าไหมขัดาทานแล้วมันไม่เกิดประโยชน์อะไรคืออ่านแล้วก็ชิดไม่ได้ คิดไม่ได้เพราะคิดไม่ได้กับไม่ได้คิดเนี่ยมันคนละเรื่องนะทำไม่ได้กับไม่ได้ทำนะเราไปคิดกันอยู่ลองกลับกันเห็นปุ๊บเราบอกทำไม่ได้ยังไม่ได้ทำเลยบอกทำไม่ได้ก็เพราะมันไม่ได้ทอชีวิตเราก็เหมือนกันนะครับว่าชีวิตวทุกคนมีปัญห า, าบอกว่า ปัญหาคืออะไรปัญหาคือโจทย์ปัญหาคืออะไรปัญหาคือคำถามทุกชีวิตเป็นอย่างนี้มันมีโจทย์มีคำถามแล้วมันไม่มีคำตอบเข้าใจไหมเหมือนครูออกโจทย์ออกปัญหาออกคำถามมาเน่แล้วไม่เอาคำตอบให้นักเรียนนักเรียนจะตอบยังไง พอทวันนันก็พ่อก็เหมือนกับตั้งปัญหาตั้งโจทย์ตั้งคำถามเสร็จแล้วมีคำตอบให้ก็ขอข้อ ง, งอ ABCD ส่วนเราจะตอบผิดตอบถูกเรื่องหนึ่งนะแต่ไม่ตอบเลยอะ่ะไม่มีกริยาตอบเท่าเลยถ้าเป็นนักเรียนได้คะแนนไหมอ่ะไม่ได้คะแนนแปลว่าอะไรสอบตก นี่ชีวิตติคนสอบตกไป็นอย่างเงี้เยเสสอบเสร็จครูเข้าจะประเมินจะออกคาถามออกโจทย์เขาเรียกว่าการวัดผลประเมินผลโดยการอย่างเงี้ยวัดก็คือสอบนั่แหละหลังจากเรียนรู้ฟังอ่านพูดคิดเสร็จแล้วออกมาเป็นโจทย์เป็นคำถามเราก็จะต้องวัดกันละที่ฟังทั้งหมดเข้าใจยังไงหนึ่สงสามสื่อนะ เสร็จแล้วประเมินประเมินว่ารนะ้อยเนี่ยได้เท่าไหร่รู้หรือไม่ว่าว่าอาจารย์ใจดีในหนะึ่งร้อยเนี่ยให้ห้าสิบเปอร์เซนเลยเนาะเราเคยคิดไหมเวลาสอบนะีทำไมถ้าบอกห้าสิบเปอร์เซ็นเพราะว่าเกรดหรือคะแนนนะ่ะเขานับตั้งแต่ห้าสิบถึงห้าสิบเก้าหกสิบหกสบเก้าเจ็ด เจ็ดสิบก้าแปดสิบแล้วก็เขานับตามอืองแต่ห้าสิบหลังนัไม่คิดนะให้ฟีเจอแต่ผ่าดตกต้นทุนชีวิตล้วเราเป็นตั้งห้าสิบเรื่องตอนเนี้ยแต่ถ้าต่ํากว่าห้าสิบก็แปลว่ไม่มาตรฐานคือไม่ผ่านไปสอบจะไหนก็ไม่ผ่านเรียวสอบตกคือไปแก้ตัวใ ห, หม่เขาให้แค่หนึ่งเต็มที่ให้แค่หนึ่งนี่คือความเป็นจริงของชีวิตเรา แล้วก็ประเมินคือวัดผลแล้วก็ประเมินผลออกมาหนึ่งตั้งสามสีอบก็ขอข้องอ่เนี่ยใครได้เกตดีเกตดีฝรั่งดีดีฝรั่งไม่ใช่ดีนะเลยดีีีตีวดีดีก็ลองมาซก็ทั่วไปแต่ดีคือดีฝรั่งอะมันไม่ใช่ดีไทยนะก็ดีฝรั่งดีดีฝรั่งไม่ไม่ดีนะ แต่ถ้าต่ำกว่าหนะ้าสิบหมดสภาพไปที่ไหนเ้าก็ไม่เอานี่คือความใจดือีสภาวะจะมันเป็นอยู่ทีนี้คำว่าชีวิตเราเนี่ยก็มีสองคำคือบวกกับลบถ้าต่ำกว่าห้าสิบนะ่คือลบแล้วถ้าเกินห้าสิบห้าสิบ้าสอ้สามถือมันน้อยแต่ถือว่าดือนะบวกแล้ว ทุกวันเนี่ยชีวิตเรามีอะไรบวกมั้งมาดูที่หัวความคิดบวกไหมถ้าบวกมันก็เพิ่มถ้าความคิดมันลบนั่นแหละคือคําตอบชีวิตมันก็ลบคําพูดเหมือนกันพูดไปแล้วมันบวกไหมคือมันเพิ่มไหมเพิ่มเมตไหมเพิ่มบุญไหม ถ้าพูดไปแล้วมิดรลดลงนั่นคือลบหรือความสำคัญมาทำไมเพราะอะไรทีรนี้เราประเมิ น, นตนเองว่าหนึ่งสองสามสี่ตอนนี้อยู่ในระดับไหนถ้าเป็นเกรดอ่ะอ่ะนี่คือทีมานี่คือสิ่ไปว่าคำถามก็คือทำเพื่ออะไรคุเทบมีประโยชน์อะไร พระฝากพวกเราทุกคนถ้าจะเอาแค่อัขระพยัญชนะแล้วมันจะไม่ได้ประโยชน์อะไรคือแคบจะไม่มีควาเบรืรออะไรเลยคือทําแล้วไม่คิดไม่ดูเหมือนตอนเนี้ยถามาทุกวันนี้หลวงพ่อทำอะไรหลวงพ่อตั้งตำลาหรือเปล่าเข็ดตาราไหมทมําวิญญาณิพลไหมคืออะไร เพราะะบอกว่าพูดอยู่เสมอพูดให้คิดพูดให้ฟังพูดให้จําพูดให้ทํามันก็ไม่เคยจําพูดให้คิดมันก็ไม่เคยคิดพูดให้ทํามันก็ไม่เคยทําแล้วจะทําทําไมประวัตินะได้อลไรเพมันก็อีหลักเดิมไง ทำให้อ่านมันก็ไม่อ่านอ่านเสร็จแล้วก็ไม่คิดคิดเสร็จแล้วก็ไมาได้ทามันได้ประโยชน์อะไรอึงไม่ถามว่ามันได้ประโยชน์อะไรถ้าเป็นอย่างนี้จะทําเพื่ออะไรในความหมายที่จถามทําเพื่ออะไรไอ้สัจทะยายนั้นมันเป็นความรู้สึกและความจริงอ่ะเราจะอยู่ความเท็จหรือความจริงทุกวนคนเราไม่อยู่ความจริง จะเรียกว่าสัจจะที่ผู้เช่าสอนผูเ้เจ่าสอนความจริงไม่ได้สอนความเท็จแต่เราอยู่กับความเท็จนี่ยไม่ยอมรับความจริงแต่ยอมรับความเท็จเมื่เวลาพูดจริงแล้วบอกข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรคนั่นเป็นธรรมะเนะถ้าเราเอาอมาคิดออในที่มันเราเสพไปน่ะทางตากดา็ดีทางหูหรือทางอะไร ข้อเท็จจริงเป็นยังไงข้อเท็จเป็นยังไงข้อจริงเป็นยังไงแล้วเราจะอยู่กับข้อเท็จหรือข้อจริงนั่นแหละคือคุณภาพชีวิตมันอยู่ตรงนั้นอถ้าอยู่กับข้อเท็จเสีไปกับไม่รู้เท็จจริงอะไรไม่รู้เชื่อไปก่อนแล้วเชื่อคือศรัทธานั่นแหละนี่ความหมายทันทีเชื่อเสร็จแล้วก็เป็นนิยตาก็ถาวรแก้ไขไม่ได้ รักใครชอบใครเชื่อใครก็จะเป็นถาวรละเองแล้วลพระเจ้าบอกว่าขอมันถาวรไหมเออนะขอหมายสุดท้ายมันมาได้กี่หลังยังยืนมาได้ถาวรเนี่ยแต่เราไม่เชื่อพระเจ้าไปเชื่อตัวเองไปเชื่อที่ไปเชื่อตาตัวเองไปเชื่อหูตัวเองไม่เชื่อพทธเจ้าทุกวันเป็นอย่างนี้ไปเชื่อตาตัวเองมั่นใจมากเลย ไปเชื่อวาจาเชื่อปากเปล่งมั่นใจมากะมันถึงได้เป็นอย่างนี้เพราะเขจะไม่โอปนักโยโกตอนฝากไว้เชื่อพระพุทธเจ้าจะไปเชื่อไฟก็ไม่รู้ถ้ามวาเชื่อมาดีไหมดีแต่มันต้องประกอบด้วยเหตุผลและก็ความจริงเหตุมันเป็นยังไงผนมันเป็นยังไงและความจริงมันเป็นอย่างไร อยู่ด้วยสามอย่างนะเลือชีวิตในความหมายและสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองเป็นคนเป็นมนุษย์ควรจะเป็นอย่างนี้นะกรอบในการปฏิบัติของคําว่าชีวิตนย่างคือสินห้าเนี่ยก็ต้องไปคิดอะไรมากอืมเป็นกรอบเลยเป็นระเบียปบยปฏิบัติตีกรอบไปเลยเท่านี้เท่านั้น่ถ้าเลยห้าข้อนี้ไปที่อยู่ของคนที่เลยสินห้าไปคือไม่อยู่ในกรอบ ความที่อยูอยู่ที่ไหนพลาด น, นึกไม่ออกเราจะต้องไปอยู่ที่ไหนคุกไงทําไมต้องไปอยู่ในคกุกข้อหนึ่งไหมข้อสองไหมข้อสามไหมข้อสีข้อห้าไหม่ะไม่ข้อใดก็ข้อหนึ่งจะเป็นคําถามง่ายๆคือไม่ข้อใดก็ข้อหนึ่งถ้า ง, งั้นเขาไม่ออกมาอยู่ในคกุก เพราะนั่นจะไปโทษเขาไม่ได้นะเพราะเราไป่โทษตัวเองไงแล้วก็ไม่ได้เข้าไปแล้วก็รู้อยู่ถูกจากคูงังไปยังไงแต่ว่าก่อนที่เขาเออกไปคุกเข้าไปสืบสวนสอบสวนเอาพิจารณาแล้วค่อยตัดสินเขาไม่ได้ทันทีเขาคุกทันทีนะคนที่เขา้ากนะูน่ะเขาให้ความยุติธรรมเห็นไหมถ้าเราเอาชีวิตเนี้ยมาสอนตัวเองมั่ง กระบวนการยุติธรรมคือสืบสวนสอบสวนในตำรวจพิจารณาอายกา ร, รตัดสินคือศาลอย่าไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวในกระบวนการนี้ด้วยตนเองคือเอาจะเรียกว่าศาลเตี้ยงทวันตาเห็นรูปแล้วสืบสวนสอบสวนไหมพิจารณาไหมไม่ตัดสินใจไปเลยเป็นศาลทันทีเลย เห็นไหมแล้วมันยุติธรรมไหมไม่ได้สืบสวนสอบสวนคือสืบสาวราวเรื่องเลยไม่ได้พิจารณาเลยเห็นไอ้เจ้านี่เดินมางงงไม่ชอบขีหน้ามาันละไม่ได้สืบสวน ไ, ได้สอบสวนไม่ได้พิจรารณาเพียงแต่ว่าไม่ชอบขีหน้ามาันละไปตัดสินใจเลยอย่างนี้ได้หรือเป็นศารเลยได้หรือไม่ได้ชีวิตอะ นียถ้าเราเอานี่มาใช้บ้างคือซื้สวนสอบสวนค่อยควรนิสสมะการังเสีอยู่ครยควรก่อนแล้วค่อยทํามส่วนแล้วก็พิจารณาพิจารณาแล้วค่อยตัดสินใจซึ่งเป็นประการสุดท้ายถ้าเราใช้ชีวิตอย่างนี้มันจะไม่ผิดพลาดถ้าผ่านกระบวนการอย่างนี้นของแต่ละคน เราแถวตะวันเราใช้ชีวิตอย่างนี้ไหมอะไรก็ไม่รู้วันวันหนึ่งไม่ว่าฝ่ายไหนก็อยู่ไปวันวันหายใจไปวันวันวันวันนี้ทำความดีอะไรบ้างตอบไม่ได้เลยมีอะไรที่มาดีขึ้นคืออะไรมีอะไรบวกบ้างก็คือเพิ่มนั่นแหละมีอะไรเพิ่มเข้ามาในชีวิตบ้างก็เปีนแต่ความโลภความโกรธความหลงเราเพิ่มขึ้นมาถ้าไม่มีคำตอบคำตอบมันชัดเจนอยู่แล้ว ไม่มีอะไรเพิ่มมีแค่นี้แต่ถามว่าเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นความโลภไม่เห็นควโกรธไมเห็นความหลงของตัวเองเขาโกรธกเ็เห็นมาเห็นโอหวันนี้มันโมโหจนตัวสัน่นเลยนะคุณความโกรธความโลภมันเห็นเห็นมแต่ของตัวเองไม่เห็นว่ะนี่คือปัญหาของกรรันปฏิบัติธรรมก็ให้เห็นตัวเองโยวิปัสสนาม เห็นตัวเองศาสนาไม่ได้เห็นคนอื่นไ ม, ไม่เกี่ยวอะไรกับคนอื่นเลยนักล 50, ับมาที่เดิมที่เราทาทาทากันอยู่เนี่ยและที่ขปชาตทำให้ดูทั้งวันทั้งกลางวันกลางคืนนี่ใครเห็นบ้างนี่เป็นสิบปีกับยี่สิบปีที่ผ่านมาเปลี่ยนแปลงมี่ใครเห็นบ้างแล้วการเปลี่ยนแปลงในวัดในวาทั้งหมด เป็นร้อยล้านคิดว่าเกิดจากอะไรเห็ว่าเกิดจากการเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวกันเลยไม่คิดอลยพอไม่คิดก็คิดไม่ได้ประเด็ไม่ได้ไม่มีการกระทําเกิดขึ้นเขาเป็นอย่างนี้และจะเป็นอีกอย่างนี้ไปอีกกี่ปี ก, กี่ชาติเจนี้คําถามจะเรียกพัฒนาได้ยังไง จะเรียกว่าภาวนาได้อย่างไรเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเรื่องความมิจฉาทิฏฐินาตาเป็นอย่างนี้เพราะนั้นคาแรกที่พระเจ้าจัดการก็คือตัวนี้ต้องเป็นสัมมาทิฏฐิอื่มักไม่โอเรแต่แล้วก็จำนกแก้วออนกพุนทองแต่ความจริงแล้วไม่จำเอาแต่ความจับมันคือสัญญาแต่ความจริงคือสัจจาน เราไม่ศึกษาศึกษาแต่ความจําแต่ไม่ศึกษาความจรงิงเห็นไหมมันถึงได้เป็นอย่างนี้มาแล้วความจํากับความจริง่ะมันต่างกันยังไงแล้วทุกวันเรามาตอบตัวเองว่าเราอยู่ความจํำไหมจําเรื่องเก่าเรื่องแก่เรื่องอดีตอะไรก็ไม่รู้เรื่อชอบไม่ชอบรักมากจังก็จะจํำอย่างนี้แต่เรื่องจริงมันเป็นยังไง ไม่เอาเอาแต่จำแต่ไม้เอาจริงเนี่ยเขาเรียกว่าคนไม่เอาจริงไงคือไม่ภาวนาเมื่อภาวนามันก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนี่คือคำว่าภาวนาไม่ได้แปลว่าหลับหูลับตายืนเดินนั่งสาย่างหนอข่อย่างหนอมันไม่ใช่สาย่างหนอแต่ใจไปทางอื่นนั่งอยู่ที่ห้าทีสิบนทีใจไปอยู่ที่บ้านเรเรียกสมาธิภาวนายัางไง ก็ได้แต่รูปแบบ น, นี่คือความจำกับความจริงต้องแยกออลแลาจะอยู่กับความจำหรือความจริงตรงนะีออ้แล้วจะอยู่อย่างนี้อีกนานไหมชีวิตเราเออแล้วอาจให้พูดยังไงพูดทั้งวันทั้งคืนทุกครั้งทุกวันพระจะมาเป็นกิจวัตรมาสักเทวามานแล้วมันก็จะไม่ได้อะไรก็จะได้กับข้าวกับปลากับบ้าน ก็ิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นสาระจริงๆมันไม่ได้นะฝากพวกเราทุกคนว่าจะทำอะไรก็อย่าลืมให้มีหูให้มันสมองให้มีตาคือดูมีหูคือฟังแล้วค่อยควรแล้วก็พิจรนารณาแล้วหลังจากหลังการทำมันไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ว่าประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละคือคำถามแล้วมันตอบไม่ได้ทำไปเพื่ออะไร ก็ไม่มีทิศทางอบูชาคุณพระอาจารย์อยากให้คนอื่นได้รียนรู้มีสาระอะไรอยาพอเราที่พูดอย่างไม่ได้พูดเพราะความอยากนะี่ที่ทำเนี่ยไม่ได้ทำเพราะความอยากทเนี่ยเพื่อละความอยากแต่เรากล่าวทําทำํทำทาตามความอยากมันจะสวนทางกันไหมเพราะนั้ลองแยกให้ออกอยากกับต้องการหรือว่าจําเป็นเนี่ย ชีวิตเราก็จะดีขึ้ น, นเออมันจำเป็นไหมหรือจะเอาความอยากแต่ความอยากไม่มีที่สิ้นสุดนะและความอยากนี่เองพุทอาจารบอกว่านี่คือต้นต่อของความทุกข์แต่เราไม่ไม่เข้าใจว่าต้น ต, อ, ตอมันคืออะไรก็อยากนะอยู่นะอยากนั่นอยากนู้นอยาก น, น้ดีอย่างเดียวคือไม่อยากตาย คืออยากตายขึ้นมาเมื่อไหร่ยุ่งนะอยากตายขึ้นมาจะหาพิธีตายอะไติดนี้นี่เป็นอยู่เห็นไหมทางที่ความตายไม่ใช่เรื่องอยากมันไม่ใช่ตัณห า, าภาษาเราคือไม่ใช่ตัณหาแต่เกิดอยากตายขึ้นมาเนะี่ยมันยุ่งนะเอเกิดเบื่อชวิตขึ้นมาเนี่ยนี่คือว่าธรรมะปัญญาก็สิ่งที่เราขาดชีวิตเรารู้แล้วเดินเหินไปมาในมีชีวิต จิตเรามีจิตทุกวันเนี่ยถ้ามีจิตไม่เป็นอย่างนี้เมื่อใดก็จิตออกจากร่างเมื่อไหร่มันจะไม่เป็นอย่างนี้กรรมคือการการะทําทุกวันเราอยู่กันอย่างนี้แหละแต่ว่าธรรมปัญญา ม, มันไม่เกิดนั่นคือสิ่งที่เราขาดคือสิ่งที่เราไม่มีก็แปลว่าสิ่งที่เราจะต้องทําให้มันมีอะไรที่มันไม่มีต้องทําให้มันมีแค่นั้นเองในทางที่ดีนะไม่ใช่างที่ไม่ดี ส่วนขงที่มีแล้วถ้ามันไม่ดีก็พยายามลดละเลิกอย่าให้มันนื้อในชื่เรื่องผาอานาัวัตถุประสงค์แค่นี้เองเคยฟังหลวงพ่อหลวงพี่หลวงตาหลวงปู่ในถ้าพูดอย่างเนี้ยมันเป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อความสุขเม่งนกนก็เป็นไปเพื่อพูดเพลินเป็นไปเพื่อปไ ป, อ ไ, ปไปเอาศรัทธาไปเอาความจําไปดูหน้าตาหลวงปู่หลวงพ่อหลวงตา Active โอ้นัน้นเป็นอย่างนี้หลวงหลวงพ่อพูดดีหลวงตาพูดดี ก็ใช่เป็นคําพูดที่ดีของท่านเป็นความคิดเดียนนะแล้วเราดีไหมไม่มีประโยชน์ต่อให้พระเจ้ามานั่งอลไรก็พูดอยู่นีนถ้าทำเออพระพุทธเจ้าเทศดีเนาะแล้วไงพระพุทธเจ้าเทศดีแล้วยังไงเออไม่ทําตามเออก็ขไปโทษแมวก็แล้วกันไปโทษแมวก็แล้วกัน วาอันนี้คือสาระที่เป็นประโยชน์เป็นความจริงเพราะนั้นกลับมาที่เดิมว่าเออที่นั่นเป็นอยู่อย่างนี้ยงคิดว่าเออครูอาจารย์อุตส่าห์แนะอุตส่า์นำแนะนำนำก็คือเดินก่อนทำก่อนแต่ไม่ตามเลยอ่ะมีประโยชน์ไหมเออเด้เออไปเราไป ไปกรุงเทพกันไว้เราไปชมกรุงเทพประจวบรวาชวังกันแล้วไม่มีใครตามไปเลยข่าพูดนี้เป็นประโยชน์ไหมเออมันไม่เป็นประโยชน์อะไรคือแหน่ทั้งแน่ท่านนาแต่ตัวท่านล่ะรู้เห็นหมดแล้วว่าวัดรพระแก้วพราชวังเป็นยังไงก็อยากให้เราพวกเราดูแต่พวกเราไม่ไปดูไม่ตามต่อให้ผู้นําีเดียวกันนัยก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะไม่มีผู้ตามเออนี่ ลักษณะทุกวันมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าให้เราโอปัยญโกทั้งหมดทั้งปูนเราไปเรียบเรียงไล่ตั้งแต่ต้ตนจนเออเทปอันนี้เราไปคิดดูแต่ละคําแต่ละวลีแต่ละประโยคเนี่ยมันมีคุณหมายมีคุณค่ามากน้อยขนาดไห น, นทีพูด่ะคือเทปเดียวต้องมีกันเทศอย่างนี้ดีมันต้อไปคําดียหนึ่งกันเทศไว้ใส่มากใส่น้อยอย่างเป็นความบริสุทธ์ คนพูดก็บริสุทธิ์คนฟังก็บริสุทธิ์จะทําไงถ้าให้บริสุทิ์ทา้งกายวาจาใจก็นำไปตัวการปฏิบัติอาหารรออยู่เนี่ยจะน้าลายไหลตอนนี้อย่าอ่านนี่มันอร่อยนะดูคิดอยู่แล้วเออมันาอร่อยนะแต่ไม่หยิบเข้าปากเลยมันจะรู้รสชาตินะแล้วมันประโยชน์ต่อร่างกายไหม ก็ไม่อะไรเล ย, เลยทำมากก็เหมือนกันที่บอกว่ามันอยู่ในอักษรไปแยาเนี้ยอยู่ในสื้ออยู่ในเล่มอ่ะมันก็เหมือนกับสูตรอาหารสูตรหนึ่งแต่เราไม่เอาสูตรนั้นมาทำมาปรุงอาหารเลยปรุงเสร็จแล้วไม่กินนะเพราะฉะนัะ้นปริญญัดก็คือสูตรปฏิบัติคือลงมือทำคือเอาสูตรนั่นแหละลงมาสำเนีงยงใส่พริกใส่เกลือใส่แกงเข้าไป ่นี่จะรู้ได้ไงมันอร่อยไหมอ ร, อ, อร่อยเผ็ดรีรยวยวอวไรก็ตามทำนเข้ า, า, ามามปฏิบัติคือปฏิเวทไงคือผลของมันมันต้องครบทั้งสามอย่างมันถึงจะรู้เรื่องถึงจะได้ผลออตอนนี้เอาปริญัตกับเอาสูตรอย่างเดียวก็ไปฟังหลวงปู่หลวงพ่ อ, พอลงตาโอ้นั่นตรงนี้ดีดแต่นั่นเป็นตำลานเป็นสูตรให้ปฏิบัติ มันปฏิบาติแล้วไม่ปฏิเวทคือไม่รู้รสมันก็เหมือนกัทพีที่แช่ อ, อยู่ในแกงรู้รสไหมมันดีนะอยู่ใกล้ชิดแกงมากเลยแต่มันรู้รสไหมเออน่าชีวิตเราเป็นอย่างนี้แหละเราไปคิดอะไรมากเพราะนั้นกันนี้วันนี้ครั้งนี้ถ้าโอปรยู่โกทุกคนทุกฝ่ายอย่าไปคิดว่าพระกะเทศอาโยมฟัง มาถึงได้เป็นย่างไงเคยตัวเองเทศได้แล้วเป็นแล้วจริงเหรอเทศในตอนนี้หมายถึงเทศให้ตัวเองนะไม่ได้เทศให้ชาวบ้านนะเคยเทศให้ตัวเองฟังบ้างไหมที่เทศกันนะี่ยที่ ส, สอนกันจะทกันเนะี่ยเทศให้ตัวเองฟังบ้างไหมนี่คือคําถามฝากไว้ผู้เราเพื่อเพื่อให้ฟัง เพื่อคิดเพื่อให้จําเพื่อให้ทําก็ให้ทําตามนลังเกิเอเาไปคิดบ้างนะเอาไปฟังบ้างนะให้จำบ้างบางเรื่องจาไม่หมดก็ไม่เป็นไรแล้วก็ให้ปฏิบัติคือปฏิบัติอ้วอาวัวในโอเนอเรอเรนเจร์พอลุกไปที่นี่ก็ไม่อะไรละ่ะแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรถึงอกว่าหเราพ อ, พอบัอมากเลย แค่ okay, ต้องมานั่งพูดั้งแต่อย่างนี้ทุกวันเช้าสายบ่ายค่ับอย่างน้อยวันละสองเวลานมันกี่ปีไปแล้วลูกยี่สิบปีไปแล้วเราผลเป็นยังไงทาวัดผลมันเป็นยังไงแปลว่าอะไรแปลว่าเรียนมายี่สิบปีแล้ววัดผลประเมินผลแล้วต่ํากว่าห้าสิบเนี่ยคิดว่าผ่านไหมเราไปประเมินตัวเองแล้วกันมันต่ํากว่าเกแล้วมันผ่านไหม อกายก็ไม่ผ่านวาจาก็ไม่ผ่านใจก็ไม่ต้องพูดถึงนะคือคำว่าไม่ผ่านพรานัถ้าอยากให้ผ่านก็ดูแลกายตัวเองดูแลวาจาตัวเองหรือใจตัวเองมันถึงจะผ่านไงั้นไม่ผ่าน่ผ่านก็ได้แค่ห้าสิบนึงแหละคือต่ํากว่าเกณฑ์ชีวิตต่ํากว่าเกณฑ์จะเป็นยังไงต่ํากว่ามาตรฐานะคือไม่ใครเอาไม่มีใครใช้คือไม่มีใครครบ แล้วเราจะเป็นอย่างนี้ไหมเราเรากคยตะวะพูด่างทุกวันไหมมันจำเป็นขนาดนั้นไหมหรือต้องการหรือว่าอยากอยากให้พูดอย่างนี้ทุกวันพระทุกปีแล้วมันจำเป็นไหมก็ฝากให้เราพูดเป็นแนวนึกแนวคิดแนวปฏิบัติวันนี้ก็พูดยาวหน่อยแต่ว่าถ้า เอาไปคิดแล้วส่วนบนของเราจะได้คำถามว่ามีหัวไว้ทำไมจะทาไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคำตอบง่ายๆคือนี่แหละก็เลอมีหัวไว้หนักบางกนแล้วแต่จะหนักบายเจยก็ได้แล้วก็ออขอขอนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งคือหลวงพ่าภาสาวัดนาบุญธรรมร า, าม อันนี้ทบนญตระกาตัวเองก็หนึ่งจะไม่สบายทําบุญอาจจะเป็นคัอนโตละในชีวิตวันนั้นที่เราทําบนเลือกทําบนก็เพราะว่าเราพอคงจะคิดแล้วคิดแล้วว่าเราจะทําไร่ทํานาสาโทเนี่ยจะไปหวานบนที่แห้งแล้งแทบไม่ได้ประโยชน์ใครใครจะทํำไหมที่ที่ไม่ได้ประโยชน์ที่แห้งแล้งปลูกข้าวขึ้นไหมเออ ก็แสดงเราคิดแล้วถ้าปลูกแล้วมันได้ผลพืชพันธุ์นียหารเจริญ ง, งอกงามเติบโตอันถึงได้ทำบุญเพราะว่าพระหรือวาจาร์ที่ดีเป็นเนื้อนาบุญของโลกนะถึงในคืนแนวของชีอันนั้นก็ขออนุโมท น, นาพูเราทุกคนในภาษาการนี้ถือว่ามาให้บ่นก็ดีแล้ว เดียวกับคนไม่มาให้บ่นเลยนี่มาให้บ่นดีแล้วแต่ไม่ใช่กลับไปโอ้ในตูเ้เจ้าจมอย่างกับบาฮูเนี่ยเอาเนี่เอาแล้ว เ, เจ้าแค่นี้แหละเดีมีหัวก็หนักบาอะรทีนี้เออออจังมันเตอจังมันเตสูเนาะเอออาแล้วพร